เมื่อสักสองสามอาทิตยอ์อาจจะเคยดีนข่าวเรื่องกระทรวงศึกษาเสนอการทำพา ส, สปอร์ตความดีนะพา ส, สปอร์ตความดีนี่ก็คือสมุดบันทึกความดีที่ได้ทำในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นส่วนตัวก็ดีแล้วนะแต่ว่ากระทรวงบอกว่าน่าจะไปใช้ในการ เข้าเมาฉลัยได้ก็คือให้ทำเมาฉลัยได้พิจารณาว่าโอ้ใครที่มีความดีมากๆนี่ก็จะได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าได้คะแนนเพิ่มเติมนะในการรับเข้าเรียนในเหมาเฉลัยอันนี้ก็มีการ อ, าอภิปรายโต้เถียงกันพอสมควรที่จริงเรื่องการทําความดีนะ ไม่ว่าเราทำเมื่อไรที่ไหนมากหรือน้อยเนี่ยมันก็มีการจดบันทึกไว้อยู่แล้วนะในใจเราใจเราเนี่ยเป็นสมุดบันทึกอย่างดีนะเพราะว่าไม่ลืมถึงแม้ว่านึกไม่ออกนะแต่ว่ามันจดจาร์อยู่ในใจและความดีที่จดจาร์อยู่ในใจนี่แหละนะมันก็จะเป็นพาสปอร์ตนะไปสู่ความตายที่สงบแล้วก็ไปสู่สุคติได้นะ พาสปอร์ตเข้ามาเทเลอร์มันยังไม่ดีนะเท่ากับพาสปอร์ตไปสู่สุคตินะาคนเราเวลาตายนี่หรือใกล้ตายเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทําจิตใจก็เป็นสุขนะอย่างที่พระเจา้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตบุญก็คือความดีนั่นแหละไม่ว่าทําความดีในขณะที่กำลังจะตายหรือว่าเราลึกถึงความดีที่เคยทําแล้วก็ พอเราลึกถึงตอนใกล้ตายก็ทำให้ใจเป็นสุขอิ่มเอิบก็ทำให้ตายดีแล้วก็จิตที่อิ่มเอิบเป็นกุศลนั่นก็นาไปสู่สุคติได้อันนี้เป็นพาสปอร์ตนะที่สำคัญกว่าพาสปอร์ตเข้าหมายทลเยกอ น, นี้การจดจารความดีเอาไว้เนี่ยนะมันจะดีถ้าเกิดว่าเราจดเอาไว้โดยที่ไม่ได้อยากหรือมีวัตถุประสงค์ไปบอกใคร นะความดีถ้าจดเอาไว้เพื่อด้วยจุดมุ่งหมายที่จะไปป่าประกาศบอกใครนี่อันนี้มันอาจจะกลายเป็นผลเสียได้เพราะมันทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้ง่ายว่าฉันเก่งฉันดีฉันแน่ขนาดคนที่ไม่ได้บอกใครแต่ว่าไปนึกถึงความดีของตัวอยู่แล้วก็ไม่มีสติรู้ทันนะก็อาจจะเกิด มานะคือความหลงตัวได้ว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนประเสริฐยิ่งถ้าจดเพื่อจะไปเพื่อหวังประโยชน์นะหวังประโยชน์ในในแง่ที่ว่าจะได้คะแนนดีกว่าคนอื่นนะจะได้มีโอกาสเข้ามหาทยาลัยอันนี้มันก็อาจจะเกิดผลเสียได้มากกว่าผลดีก็ได้าความดีนี่ทำแล้วไม่จำเป็นต้องไปบอกใครนะ ไม่เป็นต้นไปบอกใครแต่ว่าการจดเอาไว้มันก็ดีนะถ้าเราจดเอาไว้ดูดูดูเองจดเอาไว้เพื่อทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยเรามีความสามารถในการทำความดีได้โดยเฉพาะคนที่รู้สึกแยก่กับตัวเองว่าทำดีไม่ขึ้นหรือว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สามารถจะทำความดีได้ การจดบันทึกความดีที่ตัวเองทําในตละลวันเนี่ยก็จะทําทให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็จะรู้สึกดีกับตัวเองมันทําให้เกิดความมั่นใจในการทําความดีมากขึ้นไม่ท้อแท้ท้อถอยง่ายๆแต่ถ้าจดเพื่อจะไปอวดใครนี่อันนี้มันจะกลายเป็นผลเสียแล้วหรือกวดจดเพื่อหวังประโยชน์บางอย่างนะมันก็ทําให้เกิดตันหาหรือว่ามานะ แทรกแซงได้ง่ายคราวนี้ถ้าจดเนี่ยนอกจากจดความดีของตัวแล้วเนี่ยดีกว่านั้นคือจดความดีที่ผู้อื่นทํากับเร า, าการจดความดีที่ผู้อื่นทํากับเราไม่ว่าเขาจะทําดีกับเราแบบตัวต่อตัวหรือทําความดีกับเราโดยที่ไม่ได้จอดจงอย่างเช่นเนี่ยเรามีอาหารกินเพราะว่าแม่ครัวเขาได้เสียสละนะเขา ทาอาหารให้เรากินนะเขาตื่นมาแต่เช้านะหรือว่าคนที่ใส่บาให้กับเราเขาไม่ได้อ่าให้กับเราแบบเจอดจงนะก็ให้กับพารุ่นอื่นด้วยแต่ว่าเราก็สํานึกในบุญคุณของเขาก็จดเอาไว้นะหรือว่าคนที่มากวาดทาความสะอาดเก็บขยะให้เรานะเขาอาจจะไม่รู้จักกับเราเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราก็ทราบซึ้งในความดีแล้วก็จดเอาไว้นะ จดความดีที่ผู้อื่นทำกับเราหรือว่าจดสิ่งดีๆที่เรารู้สึกทราบซึ้งในบุญคุณของเขาตรงนี้เนี่ยนะขาพบ ว, ว่าการจดแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีความสุขได้ง่ายจดเป็นบันทึกเอาไว้หรือเขียนเป็นจดหมายอันนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่ามันช่วยทำให้คนที่บันทึกหรือคนที่เขียนเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้น และความสุจริตนั่นก็คือการที่ได้ทําความดนะีการที่ได้ทําความดีกับผู้อื่นนอกจากเราเราเลิกถึงความดีที่คนอื่นทํากับเราแล้วนะดียิ่งกว่านั้นคือการทําความดีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือการลงแรงช่วยเหลือเราก็พบว่ า, เ, าเวลาให้คนเนี่ยได้เราเลิกถึงการกระทําในอดีตระหว่าง2องอย่างคือหนึ่ง เอาเงินไปซื้อของเพื่อประโยชน์ของตัวเองกับใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อซื้อของให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเวลาเราเลิกถึงการใช้จ่ายเงินอย่างหลังเนี่ยคนจะมีความสุขได้มากกว่านะระหว่างเอาเงินนี่แหละไปซื้อขนมกินเอาเงินเนี่ยไปซื้อเทปซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวเองกับเอาเงินเนี่ยไปให้กับคนอื่นที่เราเรียกว่าทานเนี่ย คนที่เราลึกถึงกิจกรรมอย่างหลังเนี่ยเขาจะมีความสุขได้ง่ายกว่ามีความสุขได้มากกว่าคนที่เอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อตัวเองนะแล้วเขาเคยแบ่งนะเป็นคนสองกลุ่มนะให้เงินไปว่าเอาเงินไปทำอะไรก็ได้กลุ่มแรกนี่เขาบอกว่าเอาเงินไปซื้อของซื้ออะไรก็ได้ที่ชอบใจพอใจกลุ่มที่สองเขาแนะนำว่าเอาเงินเนี่ยไป ทำประโยให้กับผู้อื่นนะจะไปให้เงินเขาก็ได้หรือว่าจะไปซื้อของเพื่อมอบเป็นทานหรือว่าพาคนไปเที่ยวก็ได้คนที่เด็กยากจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ให้จดบันทึกนะว่าหลังจากที่ใช้เงินเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไร <c oughs> เพราะว่ากลุ่มคนที่เอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขมากกว่า เช่นมีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกปลื้มใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็รู้สึกดีที่ได้รับความาความได้รับได้เห็นการยิ่งย่งใจใสยของผู้อื่นาที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เอาเงินไปซื้อของเพื่อตัวเองเนี่ยนะความรู้สึกสุขเนี่ยมันจะมีน้อยกว่ากลุ่มแรกที่พูดถึงนะอันนี้มันก็ เดี๋ยนี้ฝรั่งเขาก็ยืนยันแล้วนะหลังจากที่เขาทาวิจัยกันมาหลายแบบหลายรูปมีการทดลองเขาก็มายืนยันสิ่งที่ผู้เจ้าได้ตัดมานานแล้วว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขนะไอการที่ใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองเนี่ยมันให้ความสุขได้น้อยกว่าการที่ใช้เงินนั้นเพื่อผู้อื่นที่เราเรียกว่าทานหรือการที่เรา ไปเป็นจิตอาสาไปลงทุนลงแรงเพื่อช่วยเหลือผู้ลงแรงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉนั้นคืใครที่อยากได้ความสุขเนี่ยจะต้องนึกถึงคนอื่นให้มากนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนะถ้าหากว่าคิดแต่ใช้เงินเพื่อตัวเองหรือว่านึกถึงแต่ตัวเองเนี่ยความสุขที่จะได้มันจะน้อยกว่าอ่านะแล้วก็เตรียมรับพร